วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ยี่สิบสาตุลาคมพุทธศักราช2566ัน้าเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพระพิยมหาราช ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษไม่ต้องไปทำงานทำการสำหรับชาวพุทธผู้ที่มีจิตใส่ทมจะถือว่าเป็นวันกำไรบุญ<ม>เป็นวันที่จะได้มีเวลามาทำบุญมาเติมบุญกันอีกหนึ่งวัน มาเติมบุญบารมีให้แก่จิตใจที่ยังต้องเดินทางอยู่ในสังสารวัฏให้ได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ชอบที่ชอบคือพระนิพพานอ่านที่จิตใจจะสามารถเดินทางไปสู่ พ้านิพานได้จิตใจจะต้องมีน้ำมันที่จะคอยผลักดันจิตใจให้สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้เหมือนกับรถยนต์ที่จะต้องมีน้ำมันถ้ า, ถารถไม่มีน้ำมันน้ำมันหมด รถยนต์ก็ต้องจอดอยู่กับที่ไปต่อไปไม่ได้เราผู้ที่มีรถยนต์จึงต้องคอยตรวจสอบดูมารของน้ำมันรถว่าอันนี้หมดหรือยังใกล้จะหมดหรือยังถ้าใกล้จะหมดพอผ่อนขับรถผ่านสถานีบริการ ก็จะต้องรีบจอดแวะเต่เน้ำมันก่อนเพราะถ้าน้ำมันหมดเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถใช้รถยนต์ไปไหนมาไหนได้จิตใจก็ฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่กำลังเดินทางอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในโลกของไตพภพ โลกของกามาพบรูปมาพบและอารมณ์พบถ้าต้องการที่จะออกจากในออกจากตายพบนี้จิตใจก็จะต้องมีบุญบารมีคอยผลักดันให้จิตใจก้าวออกจากภพทั้งสามนี้ไปสู่พระนิพพานที่เป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ให้มีความทุกข์ต่างๆบุญบารมีจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากการกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องคอยเติมให้มากๆเติมให้อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ผลักดันจิตใจให้ก้าวออกสู่ให้ก้าวออกจากสังสารวัฏไป บุญบารมีที่จิตใจต้องการนี้ก็มีอยู่ยํงต่อไปนี้บารมีบุญบารมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีความเมตตาข้อที่สองก็คือทานบารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมี ข้อที่สี่ก็คือเนกขมะบารมีข้อที่ห้าก็คืออุเบกขาบารมีและข้อที่หก็คือปัญญาบารมีนี่คือบารามีต่างๆที่จะช่วยผลักดันจิตใจให้ได้หลุดออกจาก กองทุกข์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดได้และบรารมีทั้งหกนี้การจะเติมบรารมีทั้งหกนี้ก็ยําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะเติมบรารมีเหล่านี้ก็ได้แก่อธิษฐานบรารมีสัจจะบรารมีวิริยะบรารมี และขันติบารมีบารมีเหล่านี้เป็นเครื่องมือถ้าอยากจะเติมเมตตาเติมทานเติมศีลเติมเนคข ม, มะเติมอุเบกขาเติมปัญญาถ้าไม่มีอธิษฐานบารมี ami, ไม่มีสั จ, จบารมีไม่มีขันติบารมีวิริยะบาลมี ก็จะไม่สามารถเติมบารมีให้แก่จิตใจได้อธิษฐานบารมีนี้คืออะไร <S <S คือการตั้งเป้าหมายของการกระทาว่าจะทำอะไรเช่นวันนี้ศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะมาวัดนี้ก็ได้มีอธิษฐานไว้ในใจว่า เดี๋ยววันนี้จะไปวัดค่ะจะไปฟังเทศฟังธรรมนี่คืออธิษฐานคาอธิษฐานคือการตั้งเป้าตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปทำอะไรกันไม่ใช่เป็นคำขอเหมือนที่เราใช้กันามอธิษฐานนี่มีความหมายสองความหมายความหมายทางโลกและความหมายทางธรรม ความหมายทางโลกก็แปลว่าขอเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถที่จะหามาได้ด้วยตั ว, ตวของเราเองเราก็ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะายกระพระจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ได้ตำแหน่งให้ได้ยศอะไรต่างๆแล้วแต่อะไรที่ต้องการ อันนี้เป็นคํามหมายความหมายของทางโลกอธิษฐานเพื่อขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ความหมายของทางธรรมความหมายของทางธรรมอธิษฐานนี้หมายถึงตั้งใจตั้งเป้าว่าจะทําอะไรถ้าไม่ตั้งเป้าไว้มันก็จะไม่ได้ทํา เช่นถ้าญาติโยมไม่ได้ตั้งเป้าว่าวันนี้จะมาวัดก็อาจจะไม่ได้มาที่วัดเพราะาอาจจะมีอะไรที่ชวนให้ไปทำเพื่อนอาจจะมาชวนไปทำนู่นทำนี่หรือพอดีเปิดทีวีดูเห็นมีรายการอะไรน่าสนใจก็เลยเปิดดูเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจ ก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะไปทําอะไรแล้วแต่อารมณ์อย่างนี้เรียกปล่อยให้ตามอารมณ์ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุการณ์อันนี้ก็แสดงว่าไม่มีอธิษฐานแต่ถ้ามีอธิษฐานมีการตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะมาวัดพ อ, อถึงเวลาเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางมา ก, กันเพราะเรามีเป้าหมายของ ของการกระทาของเราในวันนี้ถึงแม้ว่าะจะมีอะไรต่างๆมีเพื่อนมาชวนก็อาจจะปฏิเสธเขาไปเพราะว่าตั้งใจจะมาวัดที่จะทำตามความตั้งใจได้หรือไม่นี้ก็ต้องอาศัยสัจจะบามี ถ้าเราเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่แน่วแน่มีคนที่ไม่โลเลไม่สองจิตสองใจ mm hmm. เป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะทำในสิ่งที่ตั้งใจไม่มีการเปลี่ยนแปลง mm hmm. เรียกว่าสัจจะ mm hmm. ถ้าไม่ถ้าไม่มีสัจจะตั้งใจว่าจะมาวัดพอดี มีเพื่อนโทรมาบอกว่ามีตั๋วฟรีไปเที่ยวกันไหมก็มีของดีมีตั๋วฟรีไปเที่ยวไปงั้นไปเที่ยวก็ได้วัดไปวันหลังก็ได้อืถ้าคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะมีอธิษฐานมีความตั้งใจตั้งใจจะมาวัดแต่พอดีเพื่อนโทรมาว่ามีตั๋วฟรีไปเที่ยวกันไหมก็เลยเปลี่ยนใจ แสดงว่าไม่มีสัจจะฉนั้นการจะตั้งอธิษฐานเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่แน่นอนตั้งใจจะมาวัดแต่ก็อาจจะมีเหตุการณ์มาชวนให้ไปทําอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้ามีสัจจะมีความมีสัจจะมีความจริงใจไม่โลเลไม่หลอกลวงตัวเองเป็นคนซื่อตรงพูดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นคิดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นเรียกว่ามีสัจจะ ถ้ามีสัจจะต่อให้ใครเอาเงินมากองเท้าภูเขาก็ก็ไม่รับจะไปวัดอย่างเดียวเะฉะนั้นถ้าจะตั้งใจจะทําอะไรนี้ต้องมีสัจจะด้วยอธิษฐานกับสัจจะนี้มักจะไปคู่กันที่เราเคยได้ยินสัจจะอธิษฐาน <Yeah. S 1> อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงประทับอยู่ภายใต้โคนต้นโพ ก่อนที่จะทรงตัดจารุก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานมาจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดจารุถ้ายังไม่ตัดจารุต่อให้เลือดในร่างกายเหือดแห้งไปก็จะไม่ยอมลุกจากที่นี่ไปเป็นอันขาดจะลุกจะเลิกภาวนาก็ต่อเมื่อได้ตัดจารุแล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุถึงพานิพานแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเงิยนว่ายตายเกิดแล้วถึงจะลุกออกจากที่นี่ไปนี่แหละเป็นตัวที่จะบังคับให้เราทำอะไรที่เราอยากจะทำไม่ให้โลเลเพราะว่าการจะทำความดีการจะสร้างบารมีการจะไปนิพพานนี้มันจะต้องเจออุปสรรค เจอของที่มาคอยกีดขวางกิดกัน้นแต่ถ้าเรามีสัจจาอธิษฐานเราก็จะไม่ล้มเหลวแต่มีสัจจาอธิษฐานแล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าเราก็ยังอาจจะมาวัดอยู่ตั้งใจมาวัดอยู่แต่พอดีฝนตกฝนตกลำบาก ก็อาจจะว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนรอให้ฝนหยุดก่อนค่อยมาฝนกว่าจะหยุดมาก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้วนั้นนอกจากการที่มีสัจจะที่ฐานแล้วก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีความภาคเพียรฝนจะตกหรืออะไรก็ตามถ้ายังออกเดินทางมาได้ก็จะต้องออกเดินทางมาแล้วถ้าไปเจอ น้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้ก็จะต้องหาวิธีหาทางใหม่ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ต้องมีความอดทนมีขันติบารมีนี่แหละคือเครื่องมือที่เราจะใช้เติมใช้เติมบารมีต่างๆที่เป็นเหมือนน้ำมันของจิตใจที่จะพาให้จิตใจนิ่ ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ร่างสัจจะอธิษฐานเสร็จแล้วก็ต้องขยันต้องออกเดินทางไม่ใช่พอตืน่นตื่นขึ้นมาอันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายขี้เกียจไปไม่ไหวอยากจะไปมีสัจจะไม่เปลี่ยนใจแต่ไปไม่ไหวอันนี้ถ้ามีความเพียรก็จะต้องถ้ายังลุกขึ้นมาได้ยังเดินได้ยังขับรถได้ก็ไป เจ็บบ้างปวดบ้างตัวไข้ขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้ต้องมีความเพียรคอยผลักดันให้ทําแล้วก็ต้องมีความอดทนอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายซึ่งอาจจะไม่ถึงกับขั้นต้องล้มล้มล้ ม, ล, ม, ล, มลงนอนหมอนอะไรทานองนี้ถ้ายัง เ, เดินเหินได้ยังเคลื่อนไหวได้ก็จะไป อยกคนเสียว่าลุกไม่ได้จริงๆต้องนอนในเตียงอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไปเวลาตั้งสัจจานิฐานบางทีก็ต้องวงเล็บไว้หน่อยว่าถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็อาจจะต้องรอไว้ก่อนด้วยสำหรับคนบางคนไม่ถือว่าสิ่งที่เป็นสุดวิสัยก็คือความตายเท่านั้น อย่างพระพุทธเจ้านี่ยสิ่งที่จะเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะทําให้เลิกกระทําในสิ่งที่ต้องการกระทําก็คือความตายเท่านั้นถ้าเราลองตั้งสัจจะแบบนี้แล้วอุปสรรคอะไรต่างๆนี่มันจะไม่สามารถที่จะขีดขวางกีดกัน้นการการกระทําของเราได้เลย น, นี่คือเครื่องมือในการที่เราจะเติมบรารมีต่างๆ การจะเติมบารมีต่างๆนีมหนึ่งไม่ใช่เป็นของง่ายมันต้องต่อสู้กับความไฝ่ตาของจิตใจคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่จะมาคอยกีดกั้นการเจริญบารมีต่างๆแต่ถ้าเรามีเครื่องมือทั้งสี่มีบารมีทั้งสี่คือมีสัจจะอธิษฐานมี มีวิริยะมีขันติบารมีคอยผลักดันคอยสนับสนุนแล้วมีสิ่งเดียวที่จะขวางกั้นไม่ให้เราทำได้ก็คือความตายแล้วถ้าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้พิกลพิการขึ้นมาเป็นอามาพเป็นอภาราขึ้นมาอะไรทำเรานี้เท่านั้นน่ะถึงจะสามารถที่จะยับยัง้งความตั้งใจ ยับยั้งการกระทำของเราได้ น, นี่เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตารเกิดเพราะการจะข้ามฟากไปสู่พระนิพพานได้นี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายถ้าไม่เจอความตายนี้ไปไม่ถึงนิพพานต้องผ่านความตายไปให้ได้ ถึงจะสามารถไปถึงนิพพานได้ถ้ากลัวตายก็จบไปไม่ได้ผู้ที่ต้องการที่จะไปนิพพานที่ต้องการจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ต้องกลัวตายเพราะเราเกิดมาตายกันทุกคนอยู่แล้ว <S 2> <S 2> เราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้จกักไม่รู้กี่รอบกันแล้วไม่เห็นกลัวเลยเวลามาเกิดเวลากิเลสบอกให้เรามาเกิดนี่มัน เราไม่กลัวตายกันเลยไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บกันเลยแต่เวลาจะไปนิพพานนี้กลับมากลัวความตายไม่ต้องกลัวความตายเป็นของธรรมดาความตายมันอยู่กับเรามันอยู่กับร่างกายร่างกายนี้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแก่ความตายไปแต่เราจะเอาเอาบุญบารามีมาเป็นเดิมพัน์ สู้กับความตายยอมตายถ้าเราได้บุญบารมีต่างๆได้สร้างบุญบารมีต่างๆขึ้นมาอย่างนี้เนะี่ยมันจะทำให้เราสามารถสร้างบารมีทั้งหที่ที่เราจำเป็นจะต้องมีเพื่อให้เราไปถึงพระนิพพานได้คือทานบารมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเ ม, ม, มข ม, มาบารมีอุเบกขาบารมีและ ปัญญาบาลามบีบารามีต่างๆเหล่า น, นี้ก็เป็นเหมือนขั้นบันไดบารมีแรกที่ทจาเป็นเป็นพื้นฐานของการสร้างบารมีก็คือความเมตตาเมตตาบารมีคือความมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่พระนิพพาน สู่การหล er ุดพ้นต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจถ้าไม่มีความเมตตาแล้วจะไม่สามารถที่จะไปเจริญบารมีขั้นต่อไปได้เช่นทานบารมีหรศีลบารมีต้องอาศัยการมีเมตตาบารมีเป็นพื้นฐานก่อนการเจริญเมตตาบารมีนี้ทำอย่างไร ก็เบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าการที่เราจะมีความเมตตานี้เกิดจากการกระทําอะไรก็เกิดจากการกระทําหนึ่งอเวลาหุนตุสปเพสัตตาอเวลาหุนตุเราจะไม่จองเวรจองกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะไม่จะไม่มีเวรมีมีกรรมกับใครใครจะมามีเรื่องมีราวอะไรกับเรามีปัญหาอะไรกับเรา เราจะไม่จองเวรเราจะให้อภัยเขายกโทษให้เขาไปอันนี้คือความเมตตาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของความเมตตาก็คือสัพสัตาอ า, อานิฆาหนตุอัอปยาปชาหนตุกัอนอัปยาปชาหนตุแปลว่าไม่เบียดเบียนกัน เราจะไม่ทำละทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเวลาเราทำอะไรเราจะต้องคำหนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ทำไปแล้วทำให้เขาเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ทำให้เขาทุกข์ขึ้นมาทุกข์หรือไม่อันนี้ถ้าทำถ้าทาแล้วเกิดทำความเสียหายเดือดร้อนเราก็จะไม่ทำในฐานะที่เราเป็นคนที่มีความเมตตาเราจะไม่ เบียดเบียนผู้ไม่ทําไม่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้เรียกว่าเป็นความเมตตาอีกอย่างหนึ่งความเมตตาอย่างที่สามก็คืออานิคาหนตุสเปสตาอานิคาหนตุอันนี้แปลว่าจะไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ด้วยความตั้งใจด้วยเจตนา ตังใจจะให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจพูดไปทําอะไรไปให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจเนี่ยหรือทําให้เขาเจ็บทางร่างกายอันนี้เราผู้พความเมตตาจะไม่ทําถึงแม้ว่าจะโกรธจะแค้นจะอะไรก็ตามจะไม่ไปทําอะไรที่จะทําให้คนอื่เขาต้องเจ็บทั้งร่างกายหรือเจ็บทางจิตใจเรียกว่าอานิคารหนตหุแล้ว ข้อที่สี่ของการมีความเมตตาก็คือสุขีอัตานังตลิหาลันตตจะให้ความสุขกับสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเราสามารถทําให้ใครมีความสุขได้เราก็จะทําเช่นใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาบรรเทาทุกข์ให้กับเขาไปบรรเทาหรือว่าเรามี ของกินของใช้หรือเฟือแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างคนที่เขาไม่มีคนที่ไม่มีพอได้ของข้าวของเขาก็จะดีอกดีใจมีความสุขใจก็คือการให้ทานนี่สุขียตานังปาริหะรันตุก็คือการให้ความสุขแก่ผู้นี่นี่คือวิธีการแผ่เมตตาสี่วิธีด้วยกัน และการจะแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่ด้วยการมานั่งสวดอย่างที่เราเข้าใจกันตอนที่เราสวดบทแผ่เมตตานี้เราเป็นการเตือนใจหรือว่าเป็นการทบทวนความเมตตาว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเราต้องให้อภัยกันไม่จองเวรกันเราต้องไม่เบียดเบียนกัน เราต้องไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันเราต้องให้ความสุขแก่กันอันนี้ต้องคอยสวดคอยท่องจำอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมตอนที่นั่งสวดนี้ไม่ได้ไม่ได้แผนเมตตาให้กับใครเลยยังไม่ได้สร้างเมตตาบารมีเวลาจะสร้างเมตตาบารมีต้องเวลาที่พบปะกันเช่นเวลาพบปะกัน แล้วมีการกระทําอะไรที่เกิดความเสียหายพวกเขาอาจจะพูดอะไรหรืออาจจะทําอะไรทําให้เราโกรธขึ้นมาเราก็ต้องระงับความโกรธด้วยการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันหรือว่าเวลาที่เราพบกันพบกับใครเราอยากจะให้เขามีความสุขเห็นเขาดูหน้าตาซึมเศร้าเรามีขนมหรือมีอะไรให้เขา ได้มีของอะไรที่เขาอยากได้ที่เขาชอบนี้เวลาให้ของไป mm hmm. เขาก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา mm hmm. หรือเวลาเราจะทำอะไรก็ mm hmm. อย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน mm hmm. เราต้องระมัดระวังดูว่าคนอื่นเขากำลังทำอะไรอยู่ mm hmm. แล้วเราทาการกระทำของเรานี้ไปทำให้เขาเดือดร้อนหรือไม่ ล้าก็อย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาอของใครก็ตา ม, มนี่คือการกระทาไม่ใช่การสวดการแผ่เมตตาการสร้างความเมตตานี้สร้างด้วยการกระทาไม่ได้สร้างด้วยการสวดการสวด น, นี้ได้สองอย่างคือได้ความได้จดจาว่าการแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไร สองได้สติการสวดนี่ก็เป็นเหมือนกับการสวดมนต์เหมือนกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาเราสวดบทแผ่เมตตาใจเราก็จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้ใจเราสงบได้คนบางบางท่านก็อาจจะใช้บทแผ่เมตตานี้สวดไปหลายๆรอบเพือ่อที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่ง เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งเมตตาภาวนา <c oughs> แต่ไม่ใช่เป็นการกระทาไม่ได้เป็นการสร้างเมตตาบารเีตตาอย่างใดเป็นการสร้างสติสร้างความสงบซึ่งถ้าสงบจิตรวมเป็นสมาธิได้ก็จะได้อุบเบกขาบาลเมตขึ้นมาแต่การที่จะได้เมตตาบาลเมตจำเป็นที่จะต้องมีการกระทาต่อผู้อื่น ต้องมีการกระทําไม่ใช่การสวดเฉยๆถ้าเราโกรธใครเกลียดใครจะไปฟ้องร้องเขาแลา้วเราอยากจะมีความเมตตาเขาเราก็เลิกฟ้องไปถอนถอนฟ้องถ้าฟ้องในคดีในศาลก็ถอนไม่ฟ้องเลิกกันไปให้อภัยกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าได้ได้แผ่บารานีได้ ได้สร้างได้สร้างเมตตาบา ร, รมีอันนี้สิ่งคือเราต้องทําความเข้าใจเพราะเท่าที่ทราบม า, า, าศัทธาญาโสมส่วนใหญ่นี้คิดว่าการแผ่เมตตาก็คือเวลาสวดบทแผ่เมตากันเช่นเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จก่อนจะเลิกก็ต้องสวดบทแผ่เมตาก่อนว่าได้แผ่เมตตาให้สับประศาสน์แผ่กระจายไปทั่วตายภพเลย ไปไม่ได้ไปไหนเลยเนะมตตา ม, มันไม่ไปมันไม่มันไม่มีการกระทำมันจะไปได้ยังไงมันจะต้องมีการกระทาอย่างเมื่อเช้านี้มีจทนาท่านหนึ่งถวายเข้าสารห้าสิบกระสอบนะให้กับโรงเรียนผู้รู้อันนี้แหละเป็นการแผ่เมตตาเป็นการให้ความสุขกับเด็กนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนนี้ก็ต้องมีข้าวกินกัน ถ้าไม่มีข้าวกินก็จะทุกข์เห็นความสําคัญของการมีอาหารการกินก็เลยแบ่งปันข้าวห้าสิบกระสอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้รู้โรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชเป็นโรงเรียนกินนอนอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอันใดทั้งสิน้นเพราะความเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ผู้สร้างวัดยาเนี้ท่านได้สร้างโรงเรียนนี้ไว้เมื่อ20กว่าปีมาแล้วก็ให้เป็นที่เรียนของเด็กที่ยากจนแต่เป็นเด็กที่มีนิสัยดีหรือเป็นเด็กที่ปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้การฝึกฝนนิสัยเพราะทางโรงเรียนจะเน้นเรื่องคุณธรรมด้วยไม่ใช่แต่วิชาการเพียงอย่างเดียวะสอนให้เด็กมีความสัมมาคารวะให้มีความรู้ ให้มีความกตัญญูกตวเวทีให้มีความย่างอายต่อการกระทำบาปต่างๆอันนี้เป็นพื้นฐานของการสร้างคนให้เป็นคนดีขึ้นมาสมเด็จพระสังฆ ร, ราชท่านก็เลยสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ประถมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านได้ตั้งกองทุนไว้กองหนึ่งไว้สาหรับ ถ้าโรงเรียนไม่มีผู้บริจาคก็ต้องเอาอาศัยเงินกองทุนที่ท่านตั้งไว้นี้เอามาใช้ต่อไปถ้าอยากจะสร้างเมตตาบารมีก็ทำบุญกับโรงเรียนนี้ก็ได้โรงเรียนผู้รู้ยอสอเนี่ยมาเป็นการให้ความสุขกับเด็กให้วิชาความรู้ให้เด็กได้เรียนรู้คุณธรรมที่จะทำให้เขาเป็นคนดีของสังคมต่อไป เพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่สังคมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเจริญหรือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวดเฉยๆการสวดนี้เป็นการภาวนาเป็นการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบหรือทําใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองหรือเป็นการทบทวนความจํา ว่าการแผ่เมตตานี้มีอะไรบ้างมีสี่อย่างสเปสัตาเอเวลาหุนตุอัปยาปชาหุนตุอานิคาหุนตุสุขีอัตานังปริหารันตุถ้าเราอยากจะสร้างเมตตาบารมีถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่จะเป็นจะต้องให้อภัยเราก็ต้องให้อภัยไม่จองเวรถ้าเราทําอะไรเราก็ต้องคํานึงถึง ผลกระทบต่อผู้อื่ว่าไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่แล้วหรือว่าถ้าเราทำอะไรแล้วไปทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือทำให้ร่างกายเข า, าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังตอนที่มีความเมตตาจะต้องระวังสิ่งเหล่านี้ระวังผลผลผลผ ล, ผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทําของตนแล้วก็ให้ความสุขกับผู้ เรามีความสุขอะไรเราสามารถแบ่งปันความสุขนี้ให้กับผู้อื่นได้เราก็แบ่งปันกันไปแล้ว เ, เราจะเป็นคนที่มีความสุขเพราะว่าการสร้างเมตตาบา ร, รมีนี้ขึ้นมานี้มีอ น, นิสงส์อยู่ถึงสิบประการด้วยกันมีผลประโยชน์สิบประการจะพิผลแรกก็คือจะมีความสุข ทั้งขณะที่หลับและขณะที่ตื่นหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาแล้วก็เวลาจะทําสมาธิทําจิตให้สงบก็จะสงบได้ง่าย จะไม่มีจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะไม่มีใครคิดทำร้ายไม่ ด, ด้วยการวางยาพิษหรือด้วยอาวุธต่างๆเพราะคนที่มีความเมตตาไม่สร้างศัตรูกับใครสร้างแต่มิตรอย่างเดียวก็เลยมีแต่มิตรไม่มีศัตรูไม่มีใครคิดที่จะทำร้ายจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆ <c oughs> แล้วถ้า ถ้าเวลาตายไปเวลาจะตายจะไม่หลงจิตใจจะสงบเย็นสบายแล้วถ้าตายไปถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ตามตามกําลังของบุญที่ได้สร้างไว้ของเมตตาที่ได้สร้างไว้นี่คือประโยชน์ทั้งปัจจุบันและประโยชน์ในที่สุดประโยชน์ที่สุดก็คือเป็นบารามีที่จะสนับสนุนให้จิตได้ไป ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะตะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภพบตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขมีมิตรมีสหายมีเทวดามีมีคนรักคนชอบไม่มีใครรังเกียจเดียดฉันนี่คือบารมีข้อแรก ถ้าเราต้องการที่จะสร้างบา ร, รมีข้ออื่นนี้ต้องมีเมตตาบา ร, รมีก่อนถึงอย่าไปข้อที่สองได้ข้อที่สองของบา ร, รมีก็คือทานบา ร, รมีคือการให้ถ้าเราไม่มีความเมตตาเราไม่คิดถึงหัว อ, อกของคนอื่นคิดแต่หัว อ, อกของเราเราก็จะเสียดายข้าวของเงินทองต่างๆมีรายก็อยากจะเก็บไว้ใช้ให้กับตัวเราเพียงอย่างเดียว เพราะกลัวอดกลัวกลัวอดยากลัวขาดแคลนก็เลยไม่กล้าทำบุญทำทานแต่ถ้าเรามีความเมตตาเราอยากจให้คนอื่นเขามีความสุขเหมือนเราแล้วเราพอมีอะไรที่จะแบ่งปันให้เขาก็ได้เราก็จะยินดีแบ่งปันให้ถ้าไม่มีความเมตตาเราจะสร้างทานบารมียากจะเป็นคนตนีจะเป็นคนเห็นแก่ตัว จะเป็นคนหวงสมบัติเจยดสมบัติอย่างนั้นเบื้องต้นต้องมีเมตตาก่อนพอมีเมตตาแล้วเราก็จะสร้างทานบารมีได้เราก็จะทำบุญทำทานเพราะเรารู้ว่าเงินทองข้าวของนี้เป็นของชั่วกราวมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราเท่านั้นที่เหลือจากนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปใช้ทางอื่นก็เป็นโทษกับจิตใจ เอาไปใช้กับความอยากต่างๆอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะซื้อของหรูหราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอันนี้เป็นการสร้างภพชาติไม่ได้เป็นการตัดภพชาติเพราะเป็นการทาตามตอบสนองตะการมาตัณหาความอยากเสพกามนั่นเองยิ่งอยากเสพกามมากเท่าไหร่ยิ่งจะต้องกลับมาเกิดในกามมาพบมากขึ้นไปเท่านั้นงนั้น แทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปต่อภพต่อชาติเราต้องเอาเงินทองนี้ไปตัดภพตัดชาติตัดภพตัดชาติด้วยการเอาไปทําบุญทําทานไม่ให้มีเงินไว้ใช้สําหรับต่อภพต่อชาติเลยจะไม่ใช้เงินเพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีเงินทองเหลือใช้ก็เอาไปทําบุญให้มันหมดไปทําทานอย่างพระเวชสันดรก็ทําทานสร้างทานบา ร, รมี ใครเดือดร้อนใครต้องการอะไรขอความช่วยเหลือมีอะไรให้ได้ท่านให้หมดท่านไม่มีความผงแห่ไม่มีความเสียดายเพราะท่าเห็นคุณค่าของการสร้างทานบารมีทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจทำให้ตัดความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายไปได้ลดละได้อาจจะตัดไม่ได้หมดแต่ก็ทำให้เบาบางลงไป นะและอันนี้สงของการสร้างทานบารมีก็คือตายไปก็จิตก็จะขึ้นสู่ระดับสวรรค์ชั้นเทพนะการทำบุญต่างๆนี้ด้วยการให้ด้วยทานบารมีการสร้างทานบารมีนี้จะยกระดับจิตใจจากจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดามีอยู่หกชั้นด้วยกันเทวดาชั้นหนึ่ง6สาสี่ห้าก็อยู่กับว่าเราให้มากให้น้อย ให้หนึ่งในหกของทรัพสมบัติที่เรามีอยู่ก็ได้ชั้นที่หนึ่งให้สองในหกก็ได้ชั้นที่สองถ้าให้ทั้งหมดเลยหกในหกเลยสำหรับคนที่ต้องการที่จะไปออกบวชนี่เขาก็ให้หมดเลยสละใหหมดเลยเขาจิตใจของเขาก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นที่หกไปเลยอันนี้ก็เรื่องของทานบารามีที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพราะการจะออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดได้นี้จะต้องขึ้นไปสู่ชั้นสูงสูงจากชั้นเทพไปสู่ชั้นพรหมจากชั้นพรหมถึงไปอยู่สู่ชั้นพระอริยเจ้า<ม>แล้วก็ไปสู่พระนิพพานในที่สุดเห็นชั้นชั้นไปต้องสร้างบารมีแต่และชั้นช่วดันให้จิตใจสูงขึ้นไปเรื่อยๆ<ม> อ, อได้สร้างทานบารมีแล้วก็ต้องมาสร้างศีล บ, บารมีศีล บ, บารมีนี้ก็ ศีลพื้นฐานก็คือศีลห้าไม่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดและก็ดื่มสุลายามเามาการที่รักษาศีลนี้จะป้องกันไม่ให้ใจตกต่ำจะปิดประตูบายจะไม่ต้องลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันแต่ถ้าเราเริ่มทำบาปนี้ ใจของเราก็จะเริ่มซุดลงเหมือนตัวอาคารตัวอาคารที่ค่อยๆซุดเพราะดินดินมันซุดเลยทำให้อาคารซุดซุดทีละเล็กทีละน้อยทำบาปที่ครั้งหนึ่งก็ทำให้จิตใจลงต่ำลงไปนิดหนึ่งทำบาปครั้งที่สองก็ลงต่า ม, มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำเป็นนาจรินทำเป็นนิสัยเนี่ยแสดงว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเป็น ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายหรือเป็นสัตว์นรกนะตายไปก็เนี่ยจะต้องไปเกิดในอบายเพราะไม่ได้รักษาสี่ไหแทนที่แทนที่จะป้องกันไม่ให้ลงต่ำแทนที่จะส่งใจให้ขึ้นสูงว่าขึ้นไม่ได้ถึงแม้ได้สร้างทานบา ร, รมีไว้มากน้อยเพียงายก็ตามแต่ถ้าทำบาปมากกว่าทาถ้าทาบาปมากกว่าทำบุญ ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบุญยังไม่สามารถส่งผลได้เวลาตายไปนี้ต้องไปไปเกิดในอบายก่อนเวลาคนเราตายที่เรียกว่าจิตสุดท้ายนี่จิตสุดท้ายนี้เป็นเวลาที่จะบัญชีบัญชีระหว่างบัญชีบุญกับบัญชี บ, บ, บ, ชบาปว่าอย่างไหนมีกําลังมากกว่ากันบัญชีบุญก็คือการไปเป็นเทวดาบัญชีบาปก็คือการไปเกิดในอบาย ดูซิว่าอันไหนมีแรงมากกว่ากันเหมือนชักกระเยอะกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งดึงไปทางหนึ่งฝ่ายหนึ่งดึงไปอีกทางหนึ่งฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงไปทางนั้นถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอาบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาบุญก็จะดึงไปไปสวรรค์ได้ น, นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น จากการที่เรารักษาศีลหรือไม่รักษาศีลดังนั้นนอกจากการทำทานสร้างทานบารมีแล้วเราก็ต้องสร้างศีลบารมีควบคู่กันไปด้วยอย่าเอาแต่ทานบารมีอย่างเดียวแต่ยังชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังชอบลักทรัพย์ยังชอบโกหกหลอกลวงยังชอบประพฤติผิดต่อเทนีอยู่อย่างนี้มันจะสวนทางกัน และดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์อย่างที่เราคิดก็ได้กันเพราะทานที่เราทำอาจจะน้อยกว่า บ, บาปที่เราทำก็ได้ดังนั้นเราต้องพยายามรักษาสีหน้าได้การจะรักษาศีได้ น, นี้ก็ต้องมีฮิริโอตปะหิรินี้คือความอายคนเรานี้อายไม่อยากให้ใครอื่นคนอื่นเขาดูถูกเราตำหนิเราว่าเราไม่ดี ถ้าเราไม่ต้องการให้คนอื่นเขาตําหนิเราเราเป็นคนอายเราก็ต้องไม่ทําบาปเพราะเวลาทําบาปแล้วเราก็ห้ามคนอื่นเขามาตําหนิเราไม่ได้มามาว่าเราไม่ได้ถ้าเรามีความอายเราก็อยากไม่ทําบาปดีกว่าแล้วต้องมีโอดตะปะก็มีความกลัวบาปกลัวผลของบาปบาปนี้เป็นเหมือนไฟอย่าจุดไฟเผาตัวเราเอง การทำบาปนี้เหมือนกับจุดไฟเผาตัวเราเองเพราะ่าการทำบาบนี้จะทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจร้อนทำให้ใจกายเป็นอบายไปกายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างหรือเป็นนรกบ้าง 1> <1> บาปนี้แหละเป็นผู้ที่จะทำให้ใจเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจเราก็จะไม่มีไฟเผาใจเราจะเย็นใจเราจะสงบใจเราจะสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะทำบาปให้มีความอายหรือให้มีความกลัวของผลบาปแล้วเราก็จะได้ไม่กล้าทำกันนี่คือบา ร, รมีที่เรียกว่าศีลบา ร, รมีคือศีลห้าไม่ทำบาปห้าข้อแล้วเมื่อเราสามารถสร้างศีลบา ร, รมีได้สร้างทานบา ร, รมีได้แล้ว เราก็จะมีกําลังที่จะไปสร้างบา ร, รมีข้อ ต, ต่อไปก็คือเนธขมมะบา ร, รมีเนธขมมะบา ร, รมีก็คือการการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายคือเรียกการออกจากกามกามก็คือคุณกามกุลห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ผู้ที่ถือในคขมะสร้างในคขมะบารมีก็คือผู้ที่ต้องการที่จะหยุดการหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้วกายคือไม่ไปเที่ยวไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปทำํำไปหาความสุขจากกิจกรรมต่างๆก็ต้องมาถือศีลแปดกันการถือศีลแปดนี้เรียกว่าเป็นการสร้างเนคขมะบารมีเพราะว่าจะยุติการหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้วกาย เช่นสิลข้อสามของสินแก็จะเปลี่ยนจากาการประพฤติผิดประเพณีเกิดสินห้านี้อนุ ญ, ญาตให้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้แต่ถ้ามาถือสินแแล้วนี้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ได้เลยไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็ เพิ่มสินข้อหกไม่ให้หาความสุขจากการกินรับประทานอาหารตามความอยากแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้รับประทานอาหารเพื่อดับความหิวของร่างกายเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกับการรับประทานยาซึ่งร่างกายนี้ต้องการอาหารไม่วันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอันนั้นรับประทานตามความอยาก อยาหาความสุขจากการเสพอาหารจากลูกเสียงกิ่นรสของอาหารอันนี้ต้องถือศีลข้อหกคือจะไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอันนี้เพื่อเป็นการยุติการหาความสุขจากการรับประทานอาหารนนกินได้แต่กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายไม่หิวดับความหิวของร่างกายแล้วป้องกัน ก, การเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายนนกินแบบกินยา กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินนี่กินทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่นี่กินพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วอันนี้ก็คือสินข้อหกแล้วสีนข้อเจ็ดก็คือให้ยุติการหาความสุขจากมหัศพบันเทิงต่างๆไม่ร้องนำทำเพลงไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายไม่เสริมสวยด้วยเสื้อผ้าผ่อนวิจิตทิศดารไม่เสริมสวยด้วยเครื่องสาําอางอะไรต่างๆน้ํามันน้ําหอมผมผ้าอะไรต่างๆนี้เพียงแต่รักทําความสะอาดร่างกายให้สะอาดก็พออาบน้ําอาบท่าให้สะอาดหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็พอ ไม่ต้องใช้เครื่องสัมมาฯต่างๆไม่ต้องใช้น้าหอมน้ามันไม่ต้องใช้ครีมทาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นการหาความสุขทางกามอารมณ์ถ้าต้องการออกจากเนขคัมถ้าต้องการเจรีญใน่คัมมาบามีก็ต้องงดเรื่องราวเหล่านี้เรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วก็มาถือสีลข้อที่แปดคือ ไม่ให้นอนมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปให้นอนแบบพักผ่อนหลับนอนให้กับร่างกายก็พอปกติร่างกายนี้ถ้าได้นอนสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาหนานะบนเตียงที่สบายเตียงสำรานี่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะลุกจิตอยากจะนอนต่อกิเลสอยากจะนอนต่อ ก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงไปแต่ทําให้เสียเวลามีค่าที่จะต้องเอามาใช้ในการเจริญอุเบกขาบาลมีขั้นต่อไป<ม>การเจริญเนคขมะมบาลมีนี้ควบคู่กับการเจริญอุเบกขาบาลมีมเราเจริญเนคขมะบาลมีนี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญอุเบกขาบาลมีก็คือการฝึกสมาธินี่<ม><ม>ถ้าเรา ไม่ไม่ถือในคำว่มมาบารมีเราก็จะไม่มีเวลาเราก็จะเอาเวลาไปเสพกรามกันเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นแล้วไปร่วมหลับนอนกับแฟนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปดูไปไปดูไปฟังภาพยนตร์ละคร อ, อะไรต่างๆไปกินไปดื่มอะไรกันแล้วก็กลับมานอนมวนฟูกนะนะเตียงสบายนอนกระทั่งสว่างโดยไม่มีเวลาที่จะมีก็ให้กับการปฏิบัติไม่มีเวลาที่จะมาเจริณ อุเบกขาบาลมีซึ่งเป็นบารมตีต่อจากเนคข ม, มะบารมีบารมีสองอนนี้มักจะไปคู่กันอย่างที่ญาติโยมมาอยู่วัดนุ่งขาวห่วมขาวนี้ก็เรียกว่ากําลังมาสร้างเนคข ม, มะบารมีแล้วเวลาไปไหว้พระสวดมนนั่งสมาธิอันนี้เรียกว่ากําลังสร้างอุเบกขาบารมีถ้าเรานั่งสมาธิจิตสงบนิ่งเข้าฌานได้ ได้อัปปนาสมาธิก็จะปรากฏอุเบกขาขึ้นมาในใจอุเบกขาก็คือการวางเฉยใจนิ่งเฉยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงเป็นใจที่นิ่งสงบเป็นใจที่มีความสุขไม่หิวโหวยกับอะไรไม่จําเป็นต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขใจที่มีอุเบกขานี้ใจจะเย็นใจจะสบายใจจะอิ่มใจจะพอเวลา เวลาไปสัมผัสรับรู้อะไรใครจะดา่า ใ, ใครจะชมก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนใครชมก็ไม่ได้ดีใจใครด่าก็ไม่ได้เสียใจอะไรต น, นี้เกิดเป้าหมายของการเจริญอุเบกขาบาลเีก็ทำใจให้เราวางเฉยให้ได้เพื่อเราที่จะได้ไม่ต้องไปสร้างสร้างพบสร้างชาติ ถ้าใจเราไม่วางเฉยพอไปสัมผัสกับอะไรที่เราชอบเราก็อยากได้เกิดการมาตัณหาขึ้นมาเกิดภาวะตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะเฉยได้สัมผัสรับรู้อะไรก็เฉยไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไระะะะะะอันนี้เรียกว่าอุเ บ, ขา บ, าเ e บเกขาบารมีการจะเจริญอุเบกขาบารมีต้องมีเวลาเจริญ ถ้าไม่ไม่ถือศีลไม่ถ้าไม่ถือศีลแไม่จเจริญนีกคมว่มมาบา ร, รมีก็จะไม่มีเวลาถ้าถือศีลห้านี้ยังไปเที่ยวไหนได้อยู่งานวันเกิดเพื่อนคืนนี้ก็ไปได้ไปไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรได้หมดเพียงแต่ว่าไม่ทำบาปเทรา น, นั้นก็คือไม่ไม่ไปประพฤติผิดประเพณีไม่ไปดื่มของมึนเมาต่างๆ แต่ยังไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงไปดูละครไปทําอะไรได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้อยู่ก็จะทําให้ไม่มีเวลามาอยู่วัดมาเจริญเนคข ม, มะบาลมีมาเจริญอุเบกขาบาลมีคือมาฝึกสติฝึกสมาธินั่นเองการที่เราจะได้ได้อุเบกขาบาลมีนี้เราต้องสร้างเนคข ม, มะบา ร, รมีก่อนต้องถือศีลแปดให้ได้ก่อน ถ้าถือสีลแปดได้แล้วเราก็จะได้มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิเพราะถ้าเราไม่มีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิใจของเราก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ดั <Yeah. S 1> งนั้นต้องต้องต้องถืออุเบกต้องถือเนคขมมะสั้งเนคขมมะบาลมีด้วยการมาถือศีลแปดที่วัดนี้ก็มีจัดที่ให้ญาติโยมมันได้พักกัน เป็นหอพักพักครั้งละไม่เกินเจ็ดคืนเจ็ดวันมาอยู่วัดแล้วก็มาถือศีลแปดมาถือเนี่ยขมมะสร้างเนี่ยมะบารมีแล้วก็ลงโบสเพื่อมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติอันนี้ก็เรียกว่าสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจถ้าเวลาที่ใจนิ่งสงบใจเข้าฌานได้เข้าสู่รูปฌานสี่ได้ ก็จะได้พบกับอุเบกขาใจที่นิ่งเฉยใจที่เย็นใจที่สบายใจไม่วุ่นวายกับกับอะไรต่างๆไม่วุ่นวายกับลูกเสียงกลิ่นรสผดพระชนิดต่างๆแต่จะสงบชั่วข้าวนขณะที่อยู่ในอุเบกขาอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมานี้ใหม่ๆก็ยังจะมีอุเบกขาข้างค้างอยู่บ้างเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น เวลาเราแช่น้ํามันด้วยเย็นเวลาเราเอาเออกมาจากตู้ใหม่ๆน้ํามันยังเย็นอยู่แต่ถ้าเราชิ้นไว้ข้างนอกไปสักพักหนึ่งแ่้วเดี๋ยวความเย็นของน้ําก็จะหายไปใจก็เหมือนกันเวลาเราเข้าสมาธินี้เข้าไปในอัปปนาสมาธินี้เหมือนเอาใจเข้าตู้เย็นใจจะเย็นใจจะสงบใจสบายเป็นใจจะมีอุเบกขา แต่พอเวลาออกจากสมาธิมาก็เหมือนบเอาใจออกจากตู้เย็นออกมาสู่ภายนอกตู้เย็นทึ่มีความร้อนอะไรที่ทำให้ใจร้อนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองเวลาที่เราไปสัมผัสกับไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาปั๊บนี้ใจจะเริ่มร้อนขึ้นมาทันทีร้อนด้วยความอยากร้อนด้วยความโลภหรือบางทีร้อนด้วยความโกรธไปสัมผัสกับสิ่งที่เราชอบก็อยากขึ้นมา ให้สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็โกรธขึ้นมาแล้วอุบเบกขาที่เราได้จากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเหมือนกับน้ําน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาออกมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่มันจะค่อยๆหายความเย็นจะค่อยๆหายไปแล้วสักพักหนึ่งถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่ ง, งความเย็นก็จะหายไปหมดถ้าอยากจะให้มันเย็นใหม่ก็ต้องจับเข้าเอาเข้าไปในตู้เย็นใหม่ ถ้ายังอยู่ในขั้นนี้อยู่เวลาจิตออกมาแล้วความเย็นหายไปใจเริ่มร้อนใจเริ่มมีความวุ่นวายก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิมาต้องเข้าเข้าอยู่ต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเพื่อรักษาใจให้เย็นเพื่อรักษาใจให้มีอุเบกขาไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้แต่มันก็เป็นของที่ต้องทําอยู่เรื่อยๆยังไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าอยากจะให้ใจนี้ไม่วุ่นวายกับอะไรเลยให้ใจมีอุเบกขาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและทั้งในขณะที่ออกมาจากสมาธิก็ต้องมาเจริญบา ร, รมีข้อสุดท้ายก็คือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี้จะสอนใจให้เข้าใจธรรมชาติของรูปเสียงกิเรสต่างๆว่ามันเป็นอนิจจังอทุก ข, ขังอนัตตาเรือมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวบางทีมันก็ดีเดี๋ยวบางทีมันก็ไม่ดีบางทีก็ได้ยินเสียงที่น่าชื่นชมยินดีบางทีก็ไปได้ยินเสียงที่ฟังแล้วก็ปวดเล้าไปในหัวใจเสียงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีทั้งเสียงดีมีทั้งเสียงไม่ดีรูปก็มีทั้งรูปที่ดีและรูปที่ไม่ดีคือรูปที่ถูกใจกับรูปที่ไม่ถูกใจเสียงก็เหมือนกันเกิ่นก็เหมือนการลดก็เหมือนกันโธฏภาคคือสัมผัสที่มาสัมผัส ตามร่างกายของเรามันก็มีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเช่นเวลามันสัมผัสกับความร้อนมากๆมันก็ไม่ถูกใจพอได้สัมผัสกับความเย็นมันก็ถูกใจขึ้นมาใจก็เลยกลิ้งไปกิ้งมากับการมาสัมผัสรับรู้สิ่งเหล่านี้เพราะใจมีความอยากอยากได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบที่ถูกใจฉะนั้นไม่อยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจ แต่เราไปถึงห้ามรูปเสียงกิดรถไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นภาวะเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเหมือนเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงจักกระจันเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันให้หยุดไม่ได้ไปปิดเสียงมันไม่ได้เวลามันจะร้องมันก็ร้องเวลามันจะไม่ร้องมันก็ไม่ร้องถ้าเราไปยินดีร้ยายกับมันใจเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะเดือดร้อนถ้าเราอยากจะรักษาอุเบกขา ให้ใจเฉยๆหนอนกับตอนที่เราอยู่ในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเราต้องปล่อยวางเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่ร้องไม่ได้สั่งให้เขาล้องไม่ได้เวลาเขาไม่ล้องตอนนี้สั่งให้เขาร้องเขาก็ไม่ล้องเวลาเขาร้องสั่งให้เขาหยุดเขาก็ไม่หยุดเพราะเราสั่งเขาไม่ได้ทาอะไรตามที่เราอยากไม่ได้เราก็จะร้อนขึ้นมาในใจใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับอะไรเราต้องเข้าใจธรรมชาติของรูปเสียงกิดหรือ ว, ว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมันมีมันมีหลายแบบมีทั้งรูปเสียงกิดรถที่ที่ถูกใจก็มีรูปเสียงกิดรถที่ไม่ถูกใจก็มีรูปเสียงกิดรถที่เป็นกลางๆ ก, ก็มีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปสัมผัสรับรู้มันเราต้องรับรู้แบบเฉยๆถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้เฉยๆได้เพราะเรารู้ว่าเราไปทาอะไรเขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้เช่นฝนจะตกแดดจะออกนี่เราก็สั่งเขาไม่ได้ไเราก็ไม่เดือดเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับฝนกับแดดเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเขากลับอย่างอื่นก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะไม่ว่าจะเป็นของคนของสัตว์เดราฉาญก็เหมือนกันเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเขาก็พูดดีบางทีเขาก็พูดไม่ดีบางทีก็ทําทําอะไรถูกใจเราบางทีเขาก็ทําอะไรไม่ถูกใจเรา บางทีเขาก็อยู่กับเราบางทีเขาก็จากเราไป <im itation> มันเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้สาเหตุที่ทําใจให้เราทุกข์วุ่นวายใจก็เพราะความอยากของเราท่านนั้นเองอยากอยากจะเจอแต่สิ่งที่เรารักเราชอบเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปพอเราไปเจอสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบเราก็เลยต้องวุ่นวายใจเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปเราก็เสียใจเศร้าใจ เราก็จะไม่มีความสงบไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีหลายรูปแบบด้วยกันที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาได้เราต้องวางใจเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปเสียงมาอย่างไรก็รับมาเสียงดีเสียงถูกใจก็รับรู้ไว้เสียงไม่ถูกใจก็รับรู้ไว้รู้ไว้เฉยๆท่านเองไม่ต้องไปอยากถ้าเราไม่อยากกับมันแล้วเราก็จะ ไม่เดือดร้อนกัมันใจของเราก็จะมีอุเบกขาเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิแต่ก่อนที่เราจะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เราต้องไปเข้าสมาธิก่อนพอมีอุเบกขาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาคอยรักษาอุเบกขานี้ให้ใจเฉยๆต่อไปด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมากลับมาเกิดเพื่อมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆพอเราตัดความอยากได้ด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาได้พอเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากมันได้ตลอดเวลามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแทนที่จะได้ความสุขจากมันมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันถ้าเราไปอยากกับมัน แล้วเราก็ตัดความอยากไม่อยากก็ยุ่งกับมันไปอยู่แบบไม่มีอยู่แบบไม่ต้องเสียรูปเสียงขีดลดเราก็อยู่ได้พอเราตัดความอยากไปหมดนี่ใจเราก็จะเป็นอุเบกขาตลอดเวลาสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจต่อไปเพราะใจได้สร้างบา ร, รมีที่จะมารักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความพอความอิ่มความพอ ใจจะมีความสุขตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเอาหมายของการสร้างบารมีทั้งสิบนี้ก็คือเพื่อมากาจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจเท่านั้นเองพอเราตัดเราละความอยากต่างๆได้หมดไปแล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะนิ่งจะเป็นอุเบกขาไปตลอดเวลาจะเป็นความสุขตลอดเวลาเรียกว่าบรมมสุข ก็คือพระนิพานนี้เองใจเป็นนิพานไปเป็นสวรรค์ชั้นนิพานไปนิบานังปรมังสุ ข, ขงังนี่คือที่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราคอยหมั่นเติมน้ํามันคือบุญบารมีของใจอยู่เรื่อยพยายามมีเวลาว่างวันไหนเวลาใดรีบเอาเวลานั้นมาเติมบุญบารมีกันดีกว่า อย่าเวลาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเลยเพราะมันจะเป็นการไปสร้างพบสร้างชาติไม่ใช่เป็นการตัดพบตัดชาติแต่การที่เรามาสร้างบา ร, รมีต่างๆนี้เป็นการเป็นการตัดพบตัดชาติให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดนี่คือเรื่องของการมาเติมบุญบา ร, รมีในวันกํำไรบุญก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปูราภบริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอโตทิน ah ังเปตานังอุปการปฏิอ e ิที่ต่างปฏิต่างตุมห e ังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตาโรธรรมาวัฏานติ อายุวันโอสุขังภาลังช่วงตอบปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอย่ารอให้เลิกแล้วค่อยมาถามนะเพราะว่าจะไม่สะดวกตอบจะตอบได้ในช่วงนี้เท่านั้นเวลาเลิกแล้วมันไม่สะดวกเพราะต้องมีการกระทําอะไรอย่างอื่น แทนถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะให้คนรู้อื่นรู้ว่าเป็นใครก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ทางมือถือก็ได้ทางมาทางเพจทางยูทูบอันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กลับนามัชการพหอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหน้ากุฏิจากเฟซบุ o กพระอาจารย์ห้าร้อยสิบเก้าท่านทางยูทูบสาม้อยสสิบท่านทางดอกตอร์วีชาเลหกสิบสองท่านวิดีโออนไลน์9้าท่านคลับเผา5ห้าท่านหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสิบปดท่านค่ะรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันห้าสิบามท่านเจ้าค่ ะ, ะเชิญถามได้เลย มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนักุติเจ้าค่ะสองคำถามคำถามที่หนึ่งการทำวิปัสนาต้องเริ่มต้นจากการทำสมถกรรมฐานใช่หรือไม่เจ้าคะก็ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีความสงบก่อนถึงจะสามารถจเจริญวิปัสนากรรมฐานได้อย่างมีผล แต่ถ้าจะอยากจะพิจารณาทำไปในช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้เป็นการซ้อมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนแต่มันก็อาจจะเป็นปัญหาต่อการทำสมาธิก็ได้วาเวลาเราจะฝึกสมาธินี้เราต้องการที่จะหยุดความคิดถ้าเรามาคิดทางปัญญาเวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะไม่สงบเห็นถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปเจริญทางปัญญา ฝึกสติคอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อสามารถเข้าสมาธิเข้าออกได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วค่อยมาเจริญปัญญาจะดีกว่าคำถามที่สองการฟังธรรมขณะขับรถจะเป็นการกระทําที่ถูกกาลเทศะหรือไม่เจ้าคะมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่ามันจะทําให้เรานี้ต้อง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างการขับรถกับการฟังธรรมไปด้วยและอาจจะเป็นอันตรายถ้าเกิดมีเหตุกระทำหันขึ้นมาอาจจะไม่สามารถควบคุมรถให้ปลอดภัยได้ก็ได้งนั้นทางที่ดีถ้าเวลาขับรถนี้ควรจะมีสติในการขับรถเพียงอย่างเดียวจะดีกว่าถ้าอยากจะฟังธรรมก็ฟังตอนที่เราไม่ได้ทําอะไรจะดีกว่าฟังธรรมอย่างเดียว จะได้ประโยชน์ร้อยเปอร์ซนได้ผลร้อยซ็แต่ถ้าทําไปขับไปฟังไปขับไปมันก็ได้ห<ม>้าสิบห้าสิบขับรถก็ได้แค่ห<ม>้าสิบเกิดมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ทันก็ได้เป็นทางที่ดีให้มีสติ ท, ทำทำอะไรเรื่องเดียวดีกว่า<ม>ถ้าขับรถก็อยู่กับการขับรถอย่างเดียว<ม>ถ้าฟังทำก็อยู่กับการฟังทำอย่างเดียว ถ้าอยากจะฟังธรรมก็ให้คนคนอื่นขับรถให้เราแล้วเราก็นั่งฟังธรรมของเราไปแต่ถ้าเราไม่มีคนอื่นมาขับแทนเราก็ปิดธรรมเปิดเสียงธรรมไปก่อนดีกว่าคอยคอยดูรถว่าวิ่งยิ่งปลอดภัยหรือไม่เราอยากจะฟังธรรมไว้รอเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วอยมาเปิดฟังดีกว่า คำถามจากคุณเพนจันทร์คำพองการแชร์แบ่งปันคําสอนธรรมะมีจิตเพื่ออยากให้คนที่เขาฟังพบทางสุขได้คําตอบชีวิตมีบุญอย่างไรคะก็เป็นธรรมทานในการให้ธรรมะในการให้ยารักษาโรคใจถ้าคนฟังคนที่ได้อ่านหรือได้ได้ยินได้ฟังธรรมะที่เราแชร์ไปแล้วทําให้เขาหายเครียดได้ก็ถือว่าก็เป็นบุญเป็นกุศล คำถามจากคุณจุบการนั่งสมาธิที่ดีจาเป็นต้าน่งแบบขาขวาทับขาซ้ายหรือนั่งขัดสมาธิเพรเท่านั้นหรือไม่คะถ้าอยากจะนั่งนานๆนั่งบ่อยๆนั่งมากๆถ้านั่งขัดสมาธิจะเป็นท่าที่เหมาะที่สุดแต่ถ้าเรานั่งไม่มากนั่งแค่ครั้งละนาทีหนาทีนี้นั่งแบบไหนก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่การนั่งมีสติหรือไม่มีสติมากกว่าไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเพียงอย่างเดียว ตัวสำคัญในการนั่งสมาธิก็คือตัวสติถ้านั่งท่าทะดีแต่ไม่มีสติใจคิดเลื่อยเปื่อยไปนั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าต้องการนั่งแบบนานๆเนี่ยถ้านั่งขัดสมาธินี่มันจะสบายกว่าคำถามจากคุณอัชารา กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเรารู้สึกตัวจากการเจ็บป่วยแล้วดึงสายออกซิเจนออกเพื่อให้พ้นจากการทรมานถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่เจ้าค้ะกราบขอบพระคุณค่ะไม่หรอกเป็นการยุติการรักษาท่านหยุดกินยาหยุดกินอะไร อ, ะออกซิเจนก็เป็นยาอย่างหนึง่งเราเห็นว่า เห็นว่ารักษาไปมันก็ไม่หายมันก็จะตายอยู่ดีก็หยุยดยดตีการรักษาท่นหนึ่งไม่ได้ฆ่าตัวตายถ้าเราอะมาอุดจมูกเย่างนี้ถึงเรียกว่าฆ่าตัวตายคำถามจากเฟซบุ o กเจค่ะสอบถามครับเวลาทำสมาธิภาวนาพุทโธไปสักระยะพอรู้สึกว่าสงบแต่แล้วก็มีเรื่องที่ค้างคายอยู่ในใจเข้ามาในความคิดอยู่บ่อยๆต้องทาอย่างไรดีครับ ก็จเจริญสติต่อไปพุทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไปจนกว่ามันยาหยุดคิดถ้ามันยังไม่หยุดคิดก็ต้องทําไปเรื่อยๆก่อนแคมถามจากคุณกัญญาวงอินช่วยเหลือเขาแต่เราต้องกลับมาแบกความทุกข์เสียเองเราควรฝึกเมตตาช่วยเขาต่อไปหรือวางอุเบกขาปล่อยเขาไปตามกรรมเจ้าคะเราก็ต้องเมตตาตัวเราด้วยไม่ใช่เมตตาคนอื่นแล้วก็มาทําให้เราทุกข์ เราก็ต้องไม่ตาตัวเราด้วยช่วยเหลือใครถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าเราไม่ทุกข์แต่ถ้าช่วยเขาแล้วเราทุกข์เราก็ต้องหยุดคำถามจากคุณอุ๊ตอนนี้เวลาทำกรรมฐานนั่งสมาธิรู้สึกจิตไม่สงบเลยเจ้าค่ะและรู้สึกท้อในเวลาปฏิบัติเจ้าค่ะกรบกบาบขอพระคุณเจ้าค่ะเราไม่คอยควบคุมความคิดก่อนที่จะมานั่งสมาธินั<ม>่นเองต้องฝึกสติหยุดความคิดไว้ก่อน แล้วเวลาันนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายถ้ามาันมานั่งปุ๊บแล้วก็จะหวังให้มันสงบโดยที่ไม่มีสติเลยนั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้คําถามจากคุณชวนชมการฆ่าแล้วกินกับฆ่าเฉยๆอันไหนบาปกว่ากันเจ้าคะบาปเท่ากันอนะ่ะมันไม่อยู่ที่กินหรือไม่กินมันอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ฆ่า จากคุณใบยกเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะลูกศรัทธาพระอาจารย์โดยไร้ข้อกังขาองค์แรกคือหลวงตาเจ้าค่ะพอท่านละสังขารลูกก็ดูในยู u b e หลายช่องแต่ไม่ลงสู่ใจแค่ผิวเผินจงบังเอิญมาเจอพระอาจารย์ใจลูกก็จอดลงตรงนี้เลยเจ้าค่ะ ม, ม่ได้คำยอนะ่อ <laughs> ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะจะลอง ใ, ใช้เราไปเรื่อยๆใช่ไหม <laughs> ไม่ไหวแล้วนเนี่ย <im> ต่อไปอาจจะเทศครึ่งหนึ่งนั่งสมาธิครึ่งหนึ่งก็ได้นะอย่างเมื่อวานนี้ตอดีเมื่อวานนี้เทศไปได้สักครึ่งชั่วโมงฝนตกลงมาก็เลยหยุดเทศก็ดีแล้วนั่งสมาธิต่อสบายหน่อยไม่เหนื่อยญาติโยมันก็จะได้ฝึกนั่งสมาธิด้วยต่อไปถ้าเร่ยวแรงไม่ไม่ค่อยไหวก็อาจจะต้องเอาแบบนี้ เทศครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิต่ออยสักครึ่งชั่วโมงก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะเพราะสังขารร่างกายมันก็จะเริ่มค่อยอกำลังมันก็เริ่มถูกถอยลงไปเรื่อยๆว่ามันก็บางทีอยากจะอยากจะหยุดก็อาจจะต้องทําแบบนี้เทศครึ่งหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิครึ่งหนึ่งไปแต่ตอนนี้ยังพอเทศได้ก็เทศไปก่อนยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ ให้คนฟังแล้วนํำมาไปปฏิบัติก็แล้วกันอย่างให้มันแบบเทน้ําใส่หลังหมาก็แล้วกันเทไปเทหลายก็สลัดทิ้งหมดเลยไม่เข้าไปในใจเลยเทแล้วต้องเอาเข้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วต้องโอปะนญิโกย้อนเข้ามาเอาธรรมะเข้ามาฆ่ากิเลสในใจของเรามาลดละความโลภความโกรธความหลงของเราให้มันน้อยลงไปก็ใจเราจะได้มีความสุขมากขึ้นไปนะ ถ้าทำํำนี้ได้แล้วคนสอนคนพูดก็จะได้มีกําลังใจนะไม่ได้อยู่ที่คํายอนะคำย้อนไปแต่ไม่อาไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะพยายามถ้าได้ยินได้ฟังทำเข้าใจแล้วรู้ว่าต้องทําอะไรก็พยายามนําออกไปทำํำมันไม่ยากหรอกเพราะว่าถ้ายากพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกก็เป็นพระสาวกไม่ได้ท่านก็เป็นคนคนธรรมดาสามัญเหมือนพวกเรามาก่อน ท่าไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหลานกันเลยท่านก็เกิดมาเป็นปุตุชนธรรมดาแต่นี้มีความเพียรพยายามมีสัจจะอธิษฐานที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปลดปลื้มจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการมีว่าตายเกิดขอให้เรามีมีอธิษฐานสัจจะนี้ไว้แต่มาเกิดมานี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบา ร, รมีก่อนมาเพื่อปลดปลื้มจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วการสร้างบุญบารมีต่างๆมันก็จะเป็นไปได้ง่ายถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่ยากแล้วอนคนที่ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรนี่มันก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเขาก็จะโลเล่ไปโรเล่มาเวลากิเลสมาชวนไปก็ไปเวลาธรรมะมาชวนก็ไปดึงไปดึงมาแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการมา มากำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาต่างๆที่มีในใจให้หมดไปแก้จัดความอยากด้วยการเจริญบารมีต่างๆที่พระเจ้าสอนให้เจริญถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานี้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายไม่เสียเวลาไม่หลงทางมีคำถามอยางไหมมีคำถามเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ ทำสมาธิจิตไม่เคยรวมทำอย่างไรครับสติมีกําลังน้อยไปนะก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นฝึกสติบ่อยๆเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยกนะารฝึกสตินี่เราฝึกได้ทั้งวันแต่เราไม่ทํานั่นเองเปิดลืมตาขึ้นมาถ้าเราใช้พุโทโธก็ท่องพุโทโธไปภายในใจลุกขึ้นจากเตยียงก็พุโทโธเดินเข้าห้องน้ําก็พุโทโธอ่าบน้ํานั่งหน้าแปรงฟันกับพุโทโธไปท่านี้ก็จเจริญสติได้เยอะแยะนะ จนกว่าเราจะต้องใช้ความคิดจนเราเจอคน น, ค น, นั้นคนนี้เราก็หยุดพุทโธไว้ชื่วข่าวพอไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธต่อไปถ้าทํานี้ได้เวลานั่งสมาธินี้ใจจะนิ่งสงบได้ง่ายได้เลยมีคําถามจากคุณเที่ยวไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยกล่าวว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของวินยูชนหมายความว่าอย่างไรครับก็เป็น ศาสนาของคนที่ฉลาดคนที่คิดทางปัญญาได้ถ้าคนคิดทางปัญญาไม่ได้นี้ก็จะเรียนไม่ได้เหมือนกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคนบางคนเรียนไม่ได้ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจหลักตรร ก, กะของวิทยาศาสตร์ของคณิตศาสตร์เรียนแล้วก็เรียนไม่ได้ไปทางวิทย์ไม่ได้ต้องไปทางสายวิทย์ต้องไปสายทงางสายสายศิละปะไปวาดเขียนไปแต่งเพลงนี้มันมันคนละเรื่องกัน ถ้าถ้าจะไปทางธรรมะนี่ต้องรู้จักตั ก, กะรู้จักเหตุจากผลว่าทำอย่างนี้แล้วทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่เข้าใจหลักของตั ก, กะนี้เราจะเข้าใจยากเข้าใจธรรมะยากเพราคำสอนพรงเจ้านี่คือตั ก, กะคือเหตุและผลทำบุญแล้วก็จะได้ความสุขเนี่ยทำบาปแล้วก็จะได้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหตุและผลของมันถ้าเราไม่เข้าใจหลักนี้เราฟังแล้วเราก็งง ก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะนําออกใบ ป, ปฏิบัติได้แต่ถ้าเราเข้าใจปั๊บนี่โอที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไปทําบาปแล้วก็เลือกทําบาปสยที่เราทุกอยู่ทุกวันเพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราก็ตัดความโลภความกล้ความโกรธความหลงลงไปความทุกข์มันก็จะหายไปเองมีไหมยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ ถ้าไม่มีก้าขั้นนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนอง้อมเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ